คนที่อะไรนะโลภะเกิดก็เนื่องจากไม่มีอุเบกขาเออขอเออใช่โลภะเกิดมากเพราะไม่มีอุเบกขาพรห ม, มิหารอุเบกขาพรห ม, มิหารเนี่ยเป็นตัวที่กําจัดราคะเนี่ยนะเัราะโดยสรุปว่าอาสวะเมตตาและปัญญาก็เป็นเครื่องละอักติใช่ไหมพรห ม, มิหารสีก็เป็นเครื่องละอักติ นั้นพระองค์ตรัสว่าสัพพปาปัสะการนังเนี่ยนะการไม่ทําบาปทั้งปวงคือไม่ทําอกุศลกรรมบทสิบไม่ทําอคติสี่ที่ไม่ทําอย่างนี้ก็ไม่ทําด้วยอสุภะเมตตาปัญญาไม่ทําด้วยพรหมนิหารอย่างนี้แหละเรียกว่าไม่ทําบาปทั้งปวงการไม่ทําบาปทั้งปวงต้องมีคุณธรรมที่ไม่มาทําบาปนะไม่ใช่หยุดอยู่เฉยๆนั่งนิ่งๆแล้วไม่ทําบาปแล้บางคนนี่เข้าใจว่าไม่ทําบาปอ้าวคนนี้ไม่ได้ทําอะไรนี่ ใช่ไหมไม่มีคุณธรรมอะไรเป็นเครื่องไปกำจัดบาปเลยแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำบาปอะไรมันสั์ว่าคาว่าสัพพปาปัสะกรณนังการไม่ทำบาปตั้งปวงเนี่ยต้องมีกุศลธรรมที่เป็นปฏิปักิต่อการทำบาปทำอกุศลต้องมีคุณธรรมที่เป็นเครื่องไปห้ามบาปห้ามอากุศลอันนี้ปริยายที่หนึ่ง หมายควาว่าในยะที่หนึ่งส่วนในที่สองเนี่ยที่กล่าวถึงว่าการไม่ทําบาปทั้งปวงเนี่ยหมายถึงมิจฉตะสภาพที่ผิด8ประการสภาวะที่ผิด8ประการคือ1มิจฉาทิฐิสองมิจฉาสังกัปปะสมิจฉาวาจาสี่มิจฉากัมมันตะหมิจฉาอาชีวะหมิจฉาวายามะเจมิจฉาสติ8มิจฉาสมาธิมิจฉามักทั้ง8ดนี้แหละเป็นบาปทั้งปวง ท่านเรียกทำทั้งแต่ททนี้ว่าบาปทั้งปวงการไม่ทำการไม่นํามาประพฤติซึ่งสภาพที่ผิดทั้งแปดประการเหล่านี้เรียกว่าการไม่ทําบาปทั้งปวงนะไม่ประพฤติตามมิจฉาทิฏฐิทั้งที่เป็นอุเฉ ท, ท, ทิฏฐิไม่ประพฤติตามอํานาจของสัสตทิฏฐนะิไม่ประพฤติตามอํานาจของสกายทิฏฐิเนี่ยนะไม่ไม่ประพฤติล่วงไปตามอํานาจทิฏฐิหก เข้ามีในหนึ่งคือทิฏฐิหกสิบสามทิฏฐิหกสิบสามก็คือทิฏฐิหกสิบสองตามพรหมชาลสูตรสกายะทิฏฐินับอีกหนึ่งนั่นนะเรเรียกว่าทิฏฐิหกสิบสามทิฏฐิเหล่านี้มีสัญญาเป็นเหตุใกล้อ่นะพันไม่ประพฤติมิจฉาทิฏฐิเหล่านี้ไม่ให้ทิฏฐิเหล่านี้เกิดขึ้นศึกษาพรหมชาลสูตรดูนะไม่ให้เป็นไปกับทิฏฐิเหล่านั้นดูเป็นยังไงนี่นะมิจฉาสังกปะก็อากุศลสังกปะสามใช่ไหม กามสังกปะพยาบาทสังกปะวิหิงสาสังกปะนั้นไม่ให้มิจฉาสังกปะนี้เกิดขึ้นมีให้วัจีทุจริตสประการเกิดขึ้นมีให้ความชั่วทางกายสามประการเกิดขึ้นไม่ให้มีความชั่วทางอาชีพเจ็ประการเกิดขึ้นนะพวกมิจฉาวายามะเป็นยังไงมิจฉายายามะก็คือเพียนเจริญบาปเพียรละบุญนะเนี่ เ, ออเขาถามว่าบางคนเนี่ยโหมีวิธีการสูงมากเพื่อที่จะได้ไม่ต้องฟังธรรมเนี่ยนะโอ้ขอใช้ใช้เทคนิคสูงมากแล้นะใช้ความภาพเพียรพยายามหาเหตุผลสรารพัดนะมันก็ขยันเหมือนกันนะที่จะต้องไม่ต้องทําบุญเนี่ยนะมั้นก็บางคนไี่ใช้ความเพียนมากออสรุปว่ามิถาวายามะก็คือเพียนเจริญบาปเพียนละบุญนะกิ จ, จกรรมของเขาอะนะ มิจฉาสติก็ตรงกันข้ามโคจรว่างามเที่ยงสุกอัตาเนี่ยนะนนนลักษณะของมิจฉาสติหรือสําคัญว่าไม่มีโทษเป็นต้นเนี่ยนะส่วนมิจฉาสมาธิก็มิจฉาสมาธิเป็นยังไงก็สมาธิที่เป็นไปกับการเพลดิดเพลินในวัตถุกามเป็นต้นนะเพลดิดเพลิน อ, อะไรนะตั้งใจทําบางเรื่องนะโอ้พวกยิงปืนเนี่ยใช้ความสงบมากนะด้วยเมตตาต่อเป้าเลยใช่ไหม านสมาธิอันนั้นนี่ไม่ใช่เลยนะก็เป็นลักษณะของมิจฉาสมาธิพวกตกปลาเนี่นั่งนิ่งนะต้องไม่ขยับตัวนะขยับมากปลาไม่กินเบ็ดไนิ่งเลยนะมือไม่สั่นเนี่ยนะโหฝึกหน้าเดินะนิ่งเมตตาต่อปลาไหมไม่มีเลยนะท่านจึงไม่ใช่ทันมิจฉตตะหรือสภาพที่เป็นผิดทั้งทั้งแป่ประการอันบุคคลละได้แล้วด้วยสัมมะตะ สัมมัตตานี้เป็นชื่อของอริยมรรคเนี่ยนะอริยมรรคคือความถูกต้อง8ประการสภาพที่ถูกเนี่ยนะหมายความว่าไม่รู้จักผิดนะไม่มีพลาด8ประการการกระทําการทําให้สมบูรณ์ซึ่งสัมมะตะ8ประการท่านเรียกว่าทํากุศลให้บริบูรณ์การทํากุศลให้สมบูรณ์จริงๆคือการเจริญสัมมัตต์แปลประการเนี่ยนะสัมมะตะ์แปลประการนะัสัมมาทิฏฐิรู้อะไร อริยสัตสีสัมมาสังกปะคิดในกุศลสังกัปะสมประการสัมมาวาจาก็สัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะก็สัมมาประธานสี่สัมมาสติก็สติประทานสี่สัมมาสมาธิก็ฌานสี่ผลการที่ประพฤติให้เป็นไปในองค์มรรคแนั่นแหละเรียกว่ากุศลสูประสัมปทาการทากุศลให้ถึงพร้อม ส่วนคําว่าสัจจิตะประโยชนปนังเนี่ยนะการทําจิตของตนให้ขาวรอบหรือการอบรมจิตของตนให้สะอาดหมดจดนี้ย่อมแสดงกิริยาการเจริญมักหมายค่ะกิริยาอาการในการเจริญมักเนี่ยนะที่เป็นหนทางให้ถึงความสงบที่เป็นอดีตหมายคาะว่าการเจริญมักที่เป็นอดีตของพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีบรรลุแล้วเมื่อบุคคลทําจิตให้หมดจดแล้วขันก็เป็นอันทําให้หมดจดแล้วอนัท่า ทำจิตให้สะอาดจริงๆอ่ะนะเพราะว่าความสะอาดในศาสนานี้ถือเอาจิตเป็นประมาณถ้าจิตไม่ถูกมิจฉามักกลุ่มรุมเนอะนะก็ถือว่าเป็นจิตที่สะอาดใช่ไหมสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสูนทั้งหลายแตถาคตย่อมประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความหมดจดแห่งจิตนะนะคือให้จิตนี้สะอาดหมดจดอ่ะนะ แท้จริงการทําให้หมดจดเนี่ยมีสองอย่างคือด้วยการละนิวรณ์และการถอนอนุสัยโดยไม่เหลือต้องไม่มีนิวรณ์ต้องไม่มีอนุสัยโดยประการทั้งปวงนั่นแหละเรียกว่าจิตที่หมดจดเนี่ยนะภูมิแห่งการทําให้หมดจดมีสองอย่างคือทัศนภูมิและภาวนาภูมิทัศนภูมิคือ โสดาปฏิมักภาวนาภูมิคืออนาคามิอัสกทาคามิมักอนาคามิมักและอรหัตตมักในคำนั้นบุคคลใดทำขันห้าใดให้หมดจดด้วยการแทงตลอดหมู่ขันห้านี้ว่าเป็นทุกขแทงตลอดหมู่ขันห้ากองแห่งขันห้าว่าอย่างไงนะีปีลานะสันตาปะวิปรินามะและสังคตะเนี่ยนะพันก็แทงตลอดสภาพแบบนั้นว่าเขาเบียดเบียนบีบคับบบน้นแปรปรวน 6ปัจจัยปรุงแต่งบุคคลทําให้หมดจดจากนิวรณ์และอนุสัยใดนิวรณ์และอนุสัยนั้นชื่อว่าเป็นสโม ท, ทยัยเนี่ยนะมุ่งกําจัดนิวรณ์กำจัดว่ายังไงก็ตอนนี้หมายถึงกําจัดด้วยอริยมรรคนะอันนี้พูดระดับสูงไปเลยนะส่วนในรายละเอียดวิธีการละนิวรณ์เป็นต้นเนี่ยดูในสติปัฏฐานแบบนิวรณ์แบบพาะนั้นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งเลยแหละบุคคลทําให้หมดจดด้วยหนทางกล่าวคือทัศนะและภาวนาใดา ทั้งทัศนะทั้งภาวนาก็คือมรรควันคำว่ามรรคเฉยๆนี่อมความไว้ทั้งสี่มรรคตั้งแต่โสดาปฏิมรรคถึงอรหัตตมรรคนิพพานอันเป็นที่สงบเย็นใดอันบุคคลทําให้หมดจดแล้วนิพพานอันเป็นที่สงบเย็นนี้ชื่อว่านิโรธอันที่สงบประงับดับสังขารเนี่ยนะสัจจะสี่เหล่านี้อันท่านยกมาแล้วเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าสัพาปาปัสสะากา ร, ก ร, า ร, าจจ ร, รนังกุสละโศปสัมปทาสจิตตปะโยชธาปนัง เอตังพุทธานาศาสนังเนี่ยนะการไม่ทําบาปทั้งปวงการทํากุศลให้ถึงพร้อมการชําระจิตให้ขาวโรคอนนะีประการนี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายสรุปว่าการไม่ทําบาปทั้งปวงนี่ก็แบ่งว่าไม่ทําบาปที่เป็นอกุศลกรรมบท10ไม่ทําบาปที่เป็นอกติ4ไม่ทําบาปที่เป็นมิช ต, ตะ8ประการงนั้นการไม่ทําบาปทั้งปวงนี่มีหลายในใช่ไหม มีหลายในในแรกคืออกุศลกรรมบท10แล้วก็อกคติอีก4มิมิช ต, ตาอีก8การทำกุศลให้ถึงพร้อมแบ่งออกเป็น3ในนะคือในแรกก็คือเจริญอะไรเจริญอาสุภะเจริญเมตตาเจริญปัญญาหรือเจริญพรหมวิหารในสุดท้ายก็คือเจริญมรรคเจริญอริยมรรค8ทั้งทัศนมรรคเล ภาวนามักเนี่ยนะหลังการเจริญมักเหล่านี้ผู้ที่เจริญได้อย่างนี้แทงตลอดอริยสัจจิตของบุคคล น, นั้นจึงจะเป็นจิตที่สะอาดมันจิตที่สะอาดจริงๆต้องมีพระนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยนะเป็นจิตที่ที่เกิดจากการทําปริญญากิตเป็นต้นเสร็จแล้วเนี่ยนะก็คือเป็นจิตของพผ้รหรันจิตของพระ้าหันทั้งหลายนี่เรียกว่าจิตที่ขาวรอบเนี่ยนะเป็นจิตที่อบรมจนขาวรอบ กลายเป็นจิตที่ว่าถูกโลกกระทำแปดถูกต้องก็เป็นจิตที่มั่นคงไม่หวั่นไหวเป็นจิตกเกษมเป็นจิตที่ไม่เศร้าโศกเป็นจิตที่ปลอดภยัยเอตมังคละมุตตมังะนะจิตลักษณะนี้จึงจะเป็นมงคลอย่างแท้จริงจริงๆอนุโพธิญาณเนี่ยในอริยสัจสี่เนี่ก็อย่างทุกขศัสเนี่ยก็คือทําให้เราละส ก, กายทิฐิถ้าอย่างสมุทัยศาสเนี่ยก็คือละ เฉททิฏฐิใช่ไหมครับแล้วก็นิโรธศาสตร์เนี่ยก็ละสัสตตทิฏฐิสําหรับมรรคศาสต์ก็คือละอาริยทิฏฐิอั น, นี่ก็เป็นสิ่งที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าละในการที่จะไม่ไม่ไปทําเพราะว่ามรรคศาสตนี่คือต้องทําถ้าไม่ไปทําเนี่ยก็มันก็เจริญไม่ได้เมื่อเจริญไม่ได้มันก็ไม่สามารถที่จะทําให้ถึงนิโรธได้อันนี้สําหรับภาวะปฏิโมก3าข้อนี้นะครับ ส่วนใหญ่จะแสดงว่าการไม่ทําบาปทั้งปวงเนี่ยเป็นศีลการทํากุศลให้ถึงพร้อมก็เป็นสมาธิแล้วก็การทําจิตใจให้หมดจดเป็นปัญญาแต่ตรงนี้นี่ไม่ทราบแสดงทั้งในขณะที่มรรคจิตเกิดหรือว่าเวลาที่มรรคจิตไม่เกิดเป็นการอบรมศีลสมาธิปัญญาต่างขณะกันด้วยครับก็คาถานี้ถ้าแสดงได้ทั้ง อะไรนะทั้งเบื้องต้นและ เ, เบื้องต้นและเบื้องปลายเนี่ยนะทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระแต่ถ้าบอกว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงเป็นชื่อของศีลการทำจิตให้การทากุศลหมายถึงสมถะหรือที่เรียกว่าสมาธิเนี่ยนะการทำจิตให้ข่าวรอบเป็นชื่อของปัญญาอันนั้นถ้าพูดถึงในขณะมรรคก็เป็นอย่างนั้นถ้าขณะมรรคเนี่ยเป็นอย่างนั้นเลยตามคาถานี้นะ ขณะอริยมรรคพมรรคเนี่ยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นปัญญาสัมมาวาจาสัมมาขัมมันตะสัมมาชีวะเป็นศีลสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นสมถะหรือสมาธิเนี่ยนะถ้ากล่าวตามนั้นก็ศีลสมาธิปัญญาอยู่ในคาถาเดียวแต่ตรงนี้ท่านลักษณะแยกให้เห็นว่าท่านมาแยกให้เห็นดูนะว่า ถ้ามองในระดับล่างๆก็ได้ว่าการไม่ทําบาปทั้งปวงนั้นน่ะหมายถึงการไม่ประพฤติอกุศลกรรมบทคําว่าไม่ประพฤติอกุศลกรรมบทแสดงว่าบุคคลนั้นต้องเจริญกุศลกรรมบทดังั้นการที่เจริญกุศลกรรมบทเรียกว่าไม่ทําบาปทั้งปวงการที่ทำกรรมไม่ทําด้วยอคติ4ประการเนี่ยนะไม่ทําด้วยอคติ4ประการเนี่ยการไม่ประพฤติอคติ4ประการนั้นก็ชื่อว่าสัพปาปะสะการนังการไม่ทําบา แต่ที่สาคัญ ค, รรรร 10, คุณธรรมที่เป็นตัวละอากุศลกรรมบท10บคุณธรรมที่เป็นตัวละอักขตินี่สาคัญใช่ถ้าไม่มีคุณธรรมใดเนี่ยไม่ใช่นั่งนิ่ ง, งๆเฉยๆแล้วก็เป็นการละอักขติไม่ใช่ที่จะละฉันทากติได้ต้องมีอะไรฉันทาคติถ้าทั่วไปก็เจริญอสุภะเป็นเนะหรือเจริญอุเบขาพรหมวิหารเต็นจึงจกละฉันทาคติได้ ถ้าละโทสาคติเนี่ยนะต้องเจรินายต้องมีเมตตามีกรุณาแล้วก็ต้องมีมีเมตตากับมีกรุณาเนี่ยนะถ้าจะละโมหคติก็ต้องเจริญปัญญาเจริญมุทิตาจึงจะละโมหะได้เออตรงนี้ที่น่าฝึกคิดนิดหนึ่งว่าโมหะนะทำให้ไม่รู้จักยินดีในคนอื่นเขามีดีนะคือเขามี เช่นเขามีคติสมบัติเราไม่รู้จักยินดีกับเขาบ้างเลยเนี่ยนะเพราะโมหะนะเขามีอุปทิสมบัติเรายินดีกับเขาไม่ได้เขามีโภกสมบัติมีอะไรทั้งหลายหละเราไม่รู้สึกยินดีเนี่ยนะไม่รู้สึกภูมิใจกับเขาด้วยอะ่ะอันนี้เป็นโมหนะนะนะนันะไม่มีกรรมสกตาเลยนะเรียกว่าไม่ชื่นชมต่อผู้มีบุญบ้างเลยโมหะไม่ชื่นชมต่อผู้มีบุญเลยนะ คือคนที่จะได้ได้ดีเนี่ยนะที่ควรแกการมุทิตาเนื่องจากเขามีดีใช่หมหนึ่งมีคติสมบัติมีอุปธิสมบัติมีโภกสมบัติมีประโยค่าสมบัติได้กาละสมบัติคือได้อะไรที่ดีๆนะเว้นแต่ได้เชื่อนะได้เชื่อไม่แน่ได้เชื่ออย่างเดียวไม่พอเพราะคนที่เชื่อสมบัติก็วิบัติไปไม่ใช่น้อยนะมีเจ้าหนึ่งเชื่อสมบัติไปขับรถชนคนเจ้าหนึ่งเลยร้องไห้เลยนะ ก็เชื่ออย่างเดียวช่วยไม่ได้หรอกแต่หมายคําว่ามีสมบัติในตัวนะเช่นคติสมบัติอุปธิสมบัติประโยค้สมบัติพ่อขสมบัติมีอะไรไรๆเรื่องที่เรียกว่ามีดีกับเขาเนี่ยทําไมเราไม่ยินดีกับเขาทั้งๆ ท, ที่นั่นเป็นผลบุญของเขาเนีเราไม่น้อมไปว่าเหตุเหล่านั้นเหล่านั้นที่เขาได้มันเป็นผลบุญของเขาเนื่องจากไม่มีกรรมสกตาไม่รู้จักมุทิตาไม่รู้จัก ยินดีในที่เขาทําบุญบ่บุญเนี่ยเป็นเหตุแห่งความสุขทั้งหลายอันนั้นจึงลักษณะของโมหะแต่ถ้าเราเราลองมานึกนะเออเนี่ยนะแต่ละคนที่เขาเป็นมนุษย์มีอายตนะที่สมบูรณ์มีสุขภาพที่ดีมีโภคะมี อ, อ่าวิทยาฐานะมีอะไรหลายๆเรื่องเขามีดีเนี่ยเพราะเขามีบุญนะอันนี้จะเป็นกรร ม, มสกตาด้วยเลยใช่ไหมเป็นกรร ม, มสกตาประกอบกับรู้สึกยินดีนะถ้าพูดถึงผู้มีบุญเนี่ยเราจะรู้สึก ยินดีกระยิมต่อผู้มีบุญ พ, าพ่านพวกที่มีดีทั้งหลายก็ถือว่าเป็นผลของของบุญเพราะบางคนก็บอกนั่นเพราะเขาทำชั่วเนี่ยเขาจึงได้ดีหลายคนทำชั่วแต่ก็อยู่ในคุกอ่ะมีวันหนึ่งไปที่ไปแสดงธรรมนะที่หนึ่งก็มีโยมพยาบาลรุ่นเก่าเนี่ยนะก็เกษียณ ง, งานแล้วก็ไปเลี้ยงเด็กคนกับเลี้ยงเด็กกําพระ ถาว่าเลี้ยงเด็กกาพร้าเนี่ยกำพร้ากลุ่มไหนกลุ่มที่พ่อแม่เข้าค อ, อกนะนะพูดภาษาเหนือนะค อ, อกทางเหนือแปลว่าคุกทางกลางว่าพ่อแม่ก็ไปเข้าค อ, อกกันหมดมันก็เข้าค อ, อกตั้งแต่ลูกเล็กเด็กแดงก็ไปฝากบ้านเลี้ยงเด็กนะก็เขาจะมีทุกเดือนนี่จะต้องพาเด็กนี่ไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ก็เลยก็เลยบอกได้เข้าค อ, อกทุกวันเลยก็งั้น <laughs> ไปค อ, อกทุกวันเลยก็คือมีมากจริงๆ ที่ที่เป็นอย่างนั้นนะนะแต่ขนาดนั้นเนี่ยถามว่าวัตถุเหล่านั้นเป็นที่ควรแห่งความกรุณาใช่ไหมคนที่เข้าคอกเข้าคุกแบบนั้นนะกับคนอยู่นอกคอกนอกคุกไหนมากกว่ากันนอกมากกว่าเรารู้สึกยินดีไหมที่เขาหละเออเนี่ยคนอยู่ข้างนอกดีใจด้วยนั่นที่คุณไม่เข้าไปอยู่ในนั้นน่ะนะมุทิตาอันนี้มีบ้างหรือเปล่างเงี้ยนะทําไมเราไม่คิดเออทำไมเราไม่เจริญทําไมเราไม่รู้สึกมุทิตากับแต่ละคนเลยเนี่ยนะ อันนี้คือเพราะเป็นผลของโมหะที่เราขาดมุทิตาพระอาจารย์เล่าอย่างนี้เอ่อเราจะเรียกได้ถ้าผู้ที่เขารู้ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่เขามุทิตาไม่ได้เราก็จะไม่สามารถจะกล่าวได้ว่าเขามีกรร ม, มสกัตาปัญญาคือรู้แต่ว่าถ้าน้อมไปรู้จริงๆอ่ะนะเราต้องมองอ่ะนะสมัยบอกโหในหลวงนี่ท่านทำบุญมาเยอะเนาะ ท่านเป็นผู้มีบุญนะขะ้าทาบริวารท่านท่านไปที่ไหนก็มีการรับเสด็จเราถามว่ารู้สึกยินดีไหมถ้าปราลบในฐานะผู้มีบุญเนี่ยนะผู้มีบุญผู้ทําบุญไว้ดีแล้วผู้มีบุญทําไว้ดีแล้วก็ย่างนี้แหละสุขทั้งโลกนี้สุขทั้งโลกหน้าฟังแล้วใจมันบันเทิงขึ้นมาทันทีเลยแม้กระทั่งคิดแบบนี้น้องไปคิดแบบนี้ก็บันเทิงนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นมุทิตาแต่ก็ยังนั่งนั่งแหละรถเขามีดีขนาดไหนก็ยังนั่งนั่แหละนีนะ ก็บนถนนเนี่ยยิ่งเห็นชัดเลยใช่ไหมทําไมคนมีรถดีๆทําไมไม่ไมีเมตตากับเราบ้างนะว่าไปนั่นเียไม่รู้สึกไปมุทิตากับอีกฝ่ายหนึ่งเลยนะก็กลับไปตําหนิอีกฝ่ายหนึ่งใจดําจังเลยเป็นต้นเนี่ยกลับก็มีแต่ตําหนิเขามีแต่อะไรเขาซึ่งก็ประกาศถึงโมหะแต่ที่กล่าวว่าคนเนี่ยนะโดยมากที่สยากาันโดยมากเพราะอะไรเพราะว่าชอบพูดถึงความดีของคนอื่นหรือเพราะพูดถึงความเลวของคนอื่น ก็พูดถึงความเลวของคนอื่นถ้าถ้าพูดถึงความดีของคนอื่นเนี่ยเป็นมุทิตาถ้าพูดถึงความเลวของบุคคลอื่นก็โทสะเพราะฉะนั้นก็มันเป็นลักษณะของฤิษยาด้วยเพราะถ้าเอาคนที่ประสบความสาเร็จนะใครไปขุดความเลวเข้ามาได้ขนาดไหนนะคนพิเศษทันทีเลยนะที่สามารถล้วงเข้าถึงความเลวของคนนั้นได้แต่นะก็เนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเรียกว่าเกมกาจัดจุดอ่อนนะ แต่ก็อันนี้พูดถึงแบบธรรมดา ท, ทั่วไปนะว่าบางครั้งเนี่ยที่เราไม่ไม่รู้จักมุทิตากับบุคคลทั่วๆไปเนื่องจากเราไม่ได้เจริญกับมสัสการศักด์เท่าไหร่พันเราก็เลยไม่น้อมไปบันเทิงกับบุคคลอื่นเนี่ยนะไม่น้อมไปเพื่อยินดีกับบุคคลอื่นคือถ้าเรานึกนั่งนึกไปดีๆนะว่าแต่ละคนเขาก็มีอะไรดีๆอยู่ในตัวตั้งหลายอย่างนะแต่ละคนก็มีมงคลอยู่ในตัวทั้งหลายข้อด้วยกัน เราหยิบมายินดีกับเขาบ้างไหมว่าเออเขามีมงคลนะเช่นเขามีมงคลขอดนั้นเขามีมงคลขอดนั้นเขามีดีส่วนนั้นส่วนนั้นส่วนนั้นเราเก็บมาชื่นชมยินดีกับเขาบ่อยไหมกับแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยนะซึ่งจากตรงกันข้ามว่าโทสะมันโคจรแทนนะแสดงโทสะที่มันโคจรนั้นมันโทสะที่มีโมหะเป็นเป็นรากค่อนข้างใหญ่มากเนี่ยนะเป็นรากที่ใหญ่มาก แต่ถ้าว่าโมหะมันเกิดร่วมกับอกุศลจิตทุกดวงอยู่แล้วนะแต่ว่าไอ่แต่ถ้าโทสะเนี่ยนะที่ที่เกิดเพราเรากโกรธบางเรื่องเนี่ยเนื่องจากเราไม่เข้าใจเรื่องนั้นๆใช่ไหมถ้าปัญญาเกิดอย่างเดียวนะโทสะมันลดลงแค่ทําทความเข้าใจนะอย่างทำไมเราตําหนิหลายๆคนในบางเหตุการณ์เนี่ยนะแต่ถ้าเราไปสอบสวนดูแล้วนะเราจะรู้จุดจะยินดีกับเขาด้วยซ้ําไป ในหลายๆเรื่องนะเราเคยตำหนิเขาในตอนแทกใช่ในที่สุดเราก็ยินดีในตอนหลังเพราะตอนนั้นเราไม่มีความเข้าใจเมื่อไม่มีความเข้าใจเราก็ตำหนิเราตำหนิบุคคลอื่นบ่อยไหมที่แล้วก็ต้องขอโทษในภายหลังเนี่ยนะก็ลักษณะเหล่า น, น, นั้นนี่แหละที่เรียกว่าเป็นส่วนใหญ่ก็จะยกให้อาวิชานะเพราะเพราะความไม่รู้เราจะพูดว่า พราะไม่รู้เพราะไม่รู้ดังนั้นคําว่าไม่รู้เนี่ยจึงไม่มุที่ตามไม่ยินดีในสิ่งที่ควรยินดีแต่ถ้าโลกนี้เนะีมีการรู้จักอนุโมทนาต่อกันบ้างก็โอ้โลกมันผาสุกกว่านี้มากเนี่ยนะสังคมจะสงบร่มเย็นกว่านี้มากเนี่ยนะการที่มาของการตัดแข้งตัดขากลัวคนอื่นจะได้ดีถ้ามีคนงานอยู่กลุ่มหนึ่งนี่นะถ้าลูกพี่สั่งงานมานะต้องอย่าทํามากนะักเดี๋ยวลูกพี่มันจะได้หน้า เออเนี่ยเขามีความคิดกันขนาดนี้เนก็แ ถ, แ, ถนกนแถวๆนี้ลูกน้องยมแถวนี้แหละวา่างันนเออนี่นะถ้าลูกพี่เขามาสั่งงานมากนะเราต้องอย่าไปทำเยอะเดี๋ยวเขาจะได้หน้าเนี่ยนะเขาก็ไม่มีมุทิตาเนี่ยนะที่จริงงานของตัวเองอยู่แล้วนะทำมากไม่ได้เดี๋ยวคนอื่นเขาจะได้ดีกันอย่างนั้นะนั้นเราก็ต้องทำสักแต่ว่าทำไปวันๆก็พอแล้วของันเออในโลกนี้อย่างนี้เขามีนะอย่าไปคิดอะไรมากเลย คือไอ้อย่างนี้เนี่ยไปคิดตามเข้ามากไม่ได้แต่คิดให้มากตว่านี้ทุกเนี่ยอั น, นี้ไปคิดให้มากมากอันนี้ทุกขสมุทยัยนี้ทุกขานิโรดนี้ทุกขานิโรธถ้าคำนีนีปฏิปทาถ้าคิดอย่างนี้ได้บ่อยได้มากไม่นานจากคำที่สุดแห่งทุกได้